เกิดผิดยกไปหน่อยเกิดช้าแค่ 2,000 กะเปียงแค่นะแค่นะั้นถ้ามันไม่ทันรถสองชั่วโมงนี่ก็ถือว่านานมากแล้วนะนี่บอกเกิดไม่ทันแค่2 0 0 0ันกปีคาถาที่สี่ที่พระองค์ตรัสว่าภิกษุใดถอนมาณนะพร้อมทั้งอนุสัยไม่มีส่วนเหลือเหมือนห่วงน้ำใหญ่ถอนสะพานไม้อ้อที่ทุรพลฉะนั้นภิกษุนั้นเชื่อว่าย่อมละฝังในและฝังนอกเสียได้เหมือนงูละคราบเก่าที่คล่าคล่าแล้ว ฉะนั้นคาถานี้มีเรื่องราวอยู่ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่เมืองสาวัตถีภิกษุรูปหนึ่งอยู่ที่ฝั่งแม่น้ําเห็นสะพานไม้อ้อที่เขาทําไว้ที่กระแสน้ําอันมีน้ําน้อยในฤดูรอ้อนอะนฤดูร้อนเขาก็ทําสะพานเล็กๆน้อยๆพอเดินข้ามไปได้ก็พอแล้วสะพานอันนั้นก็ถูกห่วงน้ําใหญ่ไหลไปภายหลังพัดไปแล้วก็เกิดความสังเวชว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนาะอันไห น, น ก็เห็นอะไรก็คนที่อย่างว่านะอยู่ด้วยกรรมฐานไหนน้อมไปก็เห็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาถ้าอยู่ด้วยอนิจจานุปัสนามากเห็นอะไรก็อ น, นิจจังอยู่ด้วยทุกขานุปัสนามาก<ๆ>ก็เห็นอะไรก็น้อมไปเพื่อทุกเพราะว่าเอ่ข้อปฏิบัติหรือปฏิปทาเพื่อแทงตลอดนิพพานอย่างไรก็ไม่พ้นการเจริญอนิจจานุปัสนาทุกขานุปัสนาและอนัตตานุปัสนาอนุปัสนาเหล่านี้ถ้าบวกกับการเรียกว่า กายานุปัสนาถ้าบวกเวทนาก็เรียกว่าเวทนานุปัสนาเป็นต้นพันเห็นสะพานไม้อ้อที่น้ำพาน้ำป่าหรือน้าห่วงน้ำใหญ่พัดพาไหลไปเนี่ยนะก็สังเวชสลดใจว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนาะสลดใจทันทีขณะที่ยืนดูอยู่นั่นแหละพระองค์ก็ทราบอัธยาศัยของท่านก็เลยเปล่งโอภาสคาถ า, านี้ว่ามานะคือความฟูขึ้นแห่งใจ ซึ่งมีชาติกําเนิดเป็นต้นเป็นวัตถุคือมานะเวลาเกิดเนี่ยนะเวลามันจะเกิดมันเกิดโดยอาศัยอะไรอาศัยว่าชาติเราเนี่ยชาตินั้นตระกูลนี้ชื่ออย่างนั้นผิวพันธุ์เช่นนี้ศิลปะวิทยาฐานะหัวหน้าการศึกษาความเป็นอยู่มันก็ยกมาอ้างเพื่อจะได้ฟูขึ้นอาศัยเหตุเป็นเครื่องฟูขึ้นมีชาติกําเนิดเป็นต้น น, นะเรียกว่ามานะมานะมี3ามอย่างเช่นสําคัญว่าเราเนี่ยพู่งเลิศกว่าเขาสองเสมอเขาสาก็ เร็วกว่าเขาเรานี่มันคนชั้นสูงเรามันชั้นกลางเรานี่มันชั้นล่างเนี่ยนะอันนี้คือเรามานะสามแบ่งออกเป็นสามอย่างคือเลิศกว่าเสมอแล้วก็เร็วกว่ามาณะเก้าก็แบ่งเป็นว่าตัวเป็นเลิศกว่าเขาก็สําคัญว่าเลิศกว่าหรือสําคัญว่าเสมอเขาหรือสําคัญว่าเร็วกว่าเขาหรือว่าเสมอเขาสําคัญว่าเลิศกว่าสําคัญว่าเสมอหรือสําคัญว่าเร็วกว่าเขาเป็นผู้เร็วกว่าเขาแต่สําคัญว่า เลิศกว่าสําคัญว่าเสมอเขาสําคัญว่าเลวกว่าเขาอย่างข้อแรกเนี่ยนะบอกว่าผู้เลิศกว่าสําคัญว่าเลิศกว่าก็คือเช่นตัวเองเนี่ยถ้าเป็นกษัตริย์อยู่แล้วก็บอกอุ้ยในบรรดากษัตริย์เนี่ยนะเรานี่มหากษัตริย์จริงๆเรายิ่งกว่ากษัตริย์ทุกกษัตริย์ทั้งหมดอันนี้เรียกว่าเลิศกว่าเขาก็สําคัญว่าเลิศกับเขาส่วนเลิศกับเขาสําคัญว่าเสมอเขาก็กว่าเรากับเขามันก็กษัตริย์เหมือนกันนั่นแหละ ทันเลิศ ก, กว่าเขาสําคัญว่าเลว ก, กว่าเขาบอกอุ้ยเรานี่มันเขาเรียกกษัตริย์ก็เรียกไปอย่างนั้นแลหละอานาจหน้าที่การปกครองไม่มีอะไรเลยเป็นศักแต่ว่ากษัตริย์กษัตริย์อย่างนั้นแหละหรือบางทีก็ยกในอย่างพ ร, พระพิสุก็เหมือนกันบอกอุ้ยในบรรดาพระภิกษุทั้งหลายเรานี่ยอดในบรรดาภิกษุทั้งหมดเนี่ยนะบรรดาภิกษุทั้ทุกองค์เนี่ยเราเยี่ยมกว่าเพื่อนอันนี้เรียกว่าเลิศ ก, กว่าเขาสําคัญว่าเลว ก, กว่าเขาบางทีเขาก็ภิกษุเราก็ภิกษุมันต่างกันตรงไหนเราก็นักบวชเหมือนกันนั่นแหละ อันนี้สำคัญว่าเสมอเขาส่วนเลวกว่าเขาบอกว่าเราเนี่ยนะมันสัตว์แต่ว่าเป็นพระเฉยๆหรอกไม่มีบุญวาสนาอะไรกับเขาเราก็บวชไปวันวันนี่แหละใครว่าเลิศ ก, กว่าแต่สําคัญว่าเลวกว่าส่วนผู้เสมอเขาสําคัญว่าเลิศ ก, ก, ก, กับเขาเช่นว่ากรมกรมนั่นอนะ่ะกรมพวกราชามหาอัมมาทั้งหลายพวกยกตัวอย่างข้าราชการโดยมากบอกว่าในบรรดาข้าราชการนะเราเนี่ยสุดยอดของข้าราชการแนละ้วถึงตําแหน่งสูงสุดว่า ง, งั้นเถอะโลดที่สุดในบรรดาข้าราชการด้วยกัน อีกกล่มหนึ่งก็บอกโอ้ยมันก็กข้าราชการเหมือนกันนั่นแหละอีกคนหนึ่งบอกโอ้ยเรานี่มันข้าราชการชั้นผู้น้อยกินเงินกินเงินประยุทธ์วันหนึ่งอะนะยศตำแหน่งอะไรก็หาไม่ได้ก็เข้าเลยเป็นสักแต่ว่าข้าราชการก็งั้นอันนี้เราเสมอเขาสําคัญว่าเลวกว่าเขาส่วนผู้เลวกว่าสําคัญว่าเลิศกว่าเนี่ยนะโอ๊ยในบรรดาพวกข้าทาส ด, ด้วยกันนะชั้นนี่สุดยอดข้าทาสหัวหน้าทาสเลยนะเนี่ยเราเนี่ยมันแทสเรียกว่าปุรณะทาส ่าเต็มร้อยพอดีอุมีสิทธทิพิเศษเต็มไปหมดเลยในฐานะธาตเต็มร้อยคงนั้นนะะธาตคนที่ร้อยก็มีอำนาจพิเศษอันะนัก็เลวกว่าเขาเนี่ยเลวกว่ากลุ่มทุกวันนะหมดแล้วนะก็สําคัญว่าเลิศอีกอุก็เขากับเรามาแขีงข่าเหมือนกันนั่นแหละคำนั้นนะเรียกว่าเสมอเขาอะละเลก เร็วก่าเขาสําคัญว่าเร็วก่าเขาอีกว่าเร็วยิ่งกว่าคนเลเ่ในบรรดาค่าคีย์ค่าทั้งหลายเรามันคีย์ค่าชั้นต่ําที่สุดเลยน ะ, ะแผนกตักอะไรที่เรียกว่าคนทั่วไปเขาเรียกใช้แต่คนนี้อย่างเดียวอะไรที่มันชั้นแบบชนิดที่ตกต่ําที่สุดนะเรียกใช้บริการคนนี้คนเดียวบอกว่าเร็วที่สุดเลยในบรรดาคีย์ค่าทั้งหลายเขาว่าเั้นคนนี้ก็มานะทั้งนั้นนะนะมาลนะทั้งนั้น อธิบายว่าผู้ใดพิสูจใดข้ามมานะมีประการดังกล่าวทั้งปวงนั้นแล้วพิจารณาเห็นโทษในมานะนั่นแหล ว, ว่าสัตว์ทั้งหลายเมาแล้วด้วยความมานะใดก็ไปสู่ทุกคติเป็นต้นมันถ้าเมาในชาติเมาในโคตรเมาในตระกูลเมาในรูปร่างผิวพรรณนะเมาในยศถาบรรดาศักดิ์จะเอาไปทำบุญใช่ไหมบอกไม่เอาไปเพิ่มภูมบาปให้ับตัวเองมากขึ้นถ้าทาบาปแล้วไปไหน อบายทุกติวินิบาตนรกเป็นต้นนั่นแหละพันถามว่ามานะเนี่ยผลพวงของมานะคืออะไรถ้าเราได้ฟังคนระดับล่างๆที่เรียกว่าคนชั้นต่ําเดือดร้อนมากเนี่ยนะเรียกแทบไม่เรียกคนในหมู่คนเนี่ยนะพวกวันณะจันทานเป็นต้นเนี่ยอินเดียนี่มีหลายหลายสิบวันนะนะฟังครั้งก่อนเขบอกประมาณ28วันณนะเนี่ยประมาณ28วันนะยี่ชั้นอ่ะนะยีเกรดอะ่ะ บอกว่าไอ้เกรดล่างที่สุดเนี่ยแม้แต่เสื้อผ้าจะไม่ไม่มีแทบจะนุ่งห่มเนี่ยนะเป็นที่รังเกยียจเหยียดย้ำเขาบอกว่าถ้าจะดื่มน้ำเนี่ยเขามีแบบอ้าปากแล้วก็ตักน้ําเทกรอกใายเลยนะแล้วก็ดื่มน้ําแบบคนระดับล่างอันนั้นเป็นผลของอะไรเป็นผลของมานะเป็นผลของการเย่อหยิ่งจองหองเป็นผลของการถือตัวนะลำพองใจอย่างยิ่งอ่ะมันมานะอันนั้นเป็นเหตุให้เกิดใน ตระกูลต่ำที่สุดคือเรียกว่าเป็นที่เหยียดยามหมายคือว่าเคยเหยียดยามคนอื่นไว้อย่างไรในที่สุดตัวเองก็ถูกเหยียดยามเช่นนั้นเพราะว่ามันคือเรียกว่ากรรมกรงกรรมเกวยนใช่ไหมมันก็วนวนกันพันๆกัอยู่อย่างนี้เลยไม่มีใครสูงใครต่ำที่แท้จริงหรอกสังสารวัตอันนี้ตอนตอนที่สูงก็ลําพองพอตกต่ำก็น้อยอกน้อยใจเป็นต้นเนี่ยก็อยู่แค่นี้แหละวนเวียนไปเนี่ยนะศึกษาเพื่อดับมานะเธอนักรงเรื่องเนาะ มันถามว่าจะดับมานะดับด้วยอะไรดับด้วยศีลสังวรอินทรีย์สังว ร, งรดับด้วยสติสังวรญาณนะสังวรวิริยะสังวรขันติสังวรดับด้วยตวทางข้าะหานวิขมพนธ์ะหานสมุเทเฉทพหานนั่นแลเพราะฉะนั้นผู้ที่ดับได้ดังกล่าวถอนมานะออกทีละน้อยเช่นกับสะพานไม้อ้อ เ, เพราะความที่กิเลสทั้งหลายนั้นไม่มีกําลังและกิเลสจริงๆแล้วมันซามกําลังมากแต่ที่มันดูแข็งแรงก็เพราะเราให้เกียรติมัน มันก็เลยยิ่งใหญ่จริงๆแล้วมันบอกพระองค์บอกว่ามันไม่ได้มีกําลังมีเรี่ยวมีแรงอะไรหรอกกิเลสเนี่ยนะจะฆ่ามเมื่อไหร่ก็ได้แต่ว่าแม้ให้คุณฆ่ามันเหลือกเกินให้ราคามันมากมันก็เลยยิ่งใหญ่เหมือนกนก็ถอนกิเลสที่มันมีกําลังน้อยกําลังซามันนั้นด้วยอรหัตตมรักเนี่ยนะเช่นอะไรเช่นกับห้วงน้ําใหญ่เพราะโลกุตระธรรมทั้งหลายมีกําลังยิ่งนัก อุปมาอันนี้เห็นชัดเลยว่าผู้ที่เจริญบุญเนี่ยเจริญทีระยดทีระยดใช่ไหมบอกไม่บอกท่านบอกว่าถ้าจะถอนแบบนั้นต้องบุญเนี่ยเปรียบประดุดห่วงน้ําในสูตรอยู่สูตรหนึ่งเนี่ยนะเช่นทเวทาวิต ก, กสูตรกับวิตกสันฐานสูตรเนี่ยเฉพาะทเวทาวิตตกสูตรเนี่ยที่กล่าวว่ากุศลวิตกของพระพุทธเจ้าเนี่ยไหลไปประดุดห่วงน้ํา คือคิดอะไรเป็นกุศลหมด ต, ตลอด6ปีเนี่ยมีแต่กุศลจิตอย่างเดียวที่ไหลไปอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะพะะนันต้องมีกุศลมากมายจริงๆจึงจะครอบงําและก็ท่วมทับกิเลส ท, ที่มีกําลังน้อยได้ต้องเจริญกุศลให้มันเนื้อกว่าจึงจะละได้เพราะว่าโลกุตระธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่มีกําลังมากมีกําลังคือศรัทธาเนี่ยนะแรงมากกําลังคือวิริยะก็แรงกําลังคือสติก็แรงกําลังคือสมาธิก็แรงกำลังคือปัญญาเขาต้องยิ่งยวดนั่นแหละจึงจะถอน จึงตละมานะไม่ให้มีส่วนเหลือได้พรานก็ละด้วยอรหัตตมรคนั่นแหลก็เรียกว่าละฝังในละฝังนอกก็คือละวัตะในภูมิสามโดยประการทั้งปวงจบคาถายืนดูสะพานไม่อ้อกบรรลุอีกอนะอา้าวกบันลุไปแล้วนะเนี่ย